ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำภีชื่นนาลังการะดีกาแปลพระพุทธรคีตาจารย์ชาวศรีลังการจนาต่อไปจะเป็นการพนานาปาติหารสามอย่างพระพุทธรคีตาจารย์ครั้งแสดงเทศนายานตั้งแต่ประกาศพระธรรมจักรกับปะวัตนะสูตรอย่างนี้แล้ว บัดนี้เมื่อจะแสดงปาฏิหาริยญาณยของพระพุทธเจ้านั้นจึงกล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความชํานาญในปาฏิหารสามคืออิทธิปาฏิหารหนึ่งอาเทศนาปาฏิหารหนึ่งและอนุสาสนีปาฏิหารหนึ่งทรงทําปาฏิหารอย่างน่าอัศจรรย์เมื่อจะทรงอนุเคราะห์ประชาชนจึงแสดงธรรม ในคาถานั้นคำว่าอิทธีอิทธิปาติหารความว่าอิทธิวิธีชื่อว่าอิทธิปาติหารก็อิทธิวิธีนั้นเป็นไปโดยในเป็นต้นว่าคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้คำว่าอาเทศนาอาเทศนาปาติหานความว่าการรู้ความเป็นไปแห่งจิตของคนอื่นแล้วบอกกล่าวคือดักใจคนได้ ชื่อว่าอาเทศนาปาติหารคาว่าอนุสาสนีอนุสาสนีปาติหารได้แก่อนุสาสนีปาติหารอธิบายว่าการรู้ความประพฤติและการน้อมใจเชื่อของบุคคลนั้นๆก็คื อ, อจริยาแล้วก็อธิมุตของสัตว์ต่างๆแล้วก็กล่าวสอนตามสมควรแก่อัธยาศั ย, ยปาติหารมีสามประการนี้ด้วยประการชนี ในปาฏิหารเหล่านั้นพระมหาโมคคลลานเถระได้ประพฤติอนุสาสนีปาฏิหารด้วยอิทธิปาฏิหารก็คือแสดงทั้งอนุสาสนีด้วยแล้วก็อิทธิปาฏิหารด้วยส่วนพระธรรมเสนาบดีได้ประพฤติอนุสาสนีปฏิหารและอาเทศนาปาฏิหารก็กล่าวโอวาสแสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งนักใจด้วยส่วนพระโมคคลลานะก็แสดงคำสอนของพุทธเจ้า แล้วก็แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยก็อนุสาสนีปาฏิหาริย์ได้แก่พระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเชี่ยวชาญแล้วในปาฏิหาริย์สามนี้ด้วยประการชนีแลบรรดาปาฏิหาริย์สามอย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายย่อมแสดงฤทธิ์รู้จิตใจของบุคคลอื่นและแสดงทำได้โดยประมาณของตน แต่ไม่สามารถรู้อัธยาศัยกิเลสที่นอนเนื่องและความประพฤติความน้อมใจเชื่อของสัตว์ทั้งหลายแล้วกล่าวสอนก็คือไม่สามารถที่จะรู้อาศยะอนุสยะอาสยะก็คืออัธยาศัยอนุสยะก็คือกิเลสที่นอนเนื่องจริตก็คือความประพฤติแล้วก็อธิมุตก็ความน้อมใจไปอ่าคนนี้จะต้องเป็นอาศยานุสิญาณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะก็พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะ ทรงทราบอนุัยทรงทราบจริตทรงทราบอาธิมุตของสัตว์ทั้งหลายทรงทราบหมู่สัตว์ผู้มีกิเลสดุดทุรีในดวงตาน้อยในปัญญาจักสุผู้มีกิเลสดุดที่ทุรีมากในปัญญาจักสุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการช า, า, ามพึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายพึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากผู้ควรสอนให้รู้ได้คือเป็นพวกภพภะบุคคล หรือว่าผู้ที่สอนให้รู้ไม่ได้คือเป็นอภัพท่บุคคลพระองค์ทรงทราบอยู่อย่างนี้ทรงเนรมิต ร, รัตนจงกลมในอากาศกว้างหมื่นจักรวาลแล้วสเสด็จจงกลมในที่นั้นทรงแสดงปาฏิหาริย์อันไม่ทั่วไปกับพระสาวกทั้งหลายทรงทราบอัธยาศัยของสัตว์ทั้งหลา ย, า ย, า ย, าลายโดยประการอันท่านกล่าวแล้วและทรงทราบความเป็นไปแห่งจิตด้วยอาการสิบหอย่างแล้วทรงแสดงธรรม อ <Workers. S 2> าการสิบกอย่างก็คือจิตมีราคะจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะจิตทดทูจิตปุ้งซ่านจิตเป็นมหักตะจิตไม่เป็นมหักตะจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นแล้วก็จิตอะไรจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าแล้วก็จิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นนัสิบหกอาการในจิตตานุปัสนานั่นเอง ในข้อนั้นมีบาลีดังต่อไปนี้ทิกสุทั้งหลายปาฏิหารสามประการนี้คืออิทธิปาฏิหารปาฏิหารก็คือฤทธิ์อาเทสนาปาฏิหารปาฏิหารคือการดักใจคนอันทังสามสนีปาฏิหารปาฏิหารก็คือการสอนให้เห็นจริงดูก่อนทิกสุทั้งหลายอิทธิปาฏิหารคือพิสูบางรูปในธรรมวินัยนี้แสดงธรรมได้หลายประการคือ คนเดียวเป็นหลายคนก็ได้หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏก็ได้แสดงให้หายไปก็ได้เพราะความละใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้นี้เราเรียกว่าอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นไนคือภิกษุบารูปในธรรมวินัยนี้ดักใจตามเหตุที่กำหนดได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้บ้างใจของท่านเป็นเช่นนี้บ้างจิตของท่านเป็นดังนี้บ้าง ถึงแม้พิสษุนั้นจะดักใจได้เป็นอันมากการดักใจนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็พิสษุ์บางรูปในธรรมวิ น, นัยนี้ไม่ทายใจตามเหตุที่กำหนดเลยแต่เมื่อได้ฟังเสียงของพวกมนุษย์ของพวกอมนุษย์หรือของพวกเทวดาก็ทายใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้บ้างใจของท่านเป็นเช่นนี้บ้างจิตของท่านเป็นดังนี้บ้างถึงแม้พิสูนั้นจะทายใจได้เป็นอันมาก การทายใจนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็พิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ย่อมไม่ทายใจตามเหตุที่กำหนดเลยและหาได้ฟังเสียงของพวกมนุษย์ของพวกอมนุษย์หรือของพวกเทวดาแล้วทายใจไม่แต่เมื่อได้ฟังเสียงตรึกตรองของผู้ที่กำลังตรึกตรองอยู่ก็ทายใจได้ว่าใจของท่านเป็นอย่างนี้บ้างใจของท่านเป็นเช่นนี้บ้างจิตของท่านเป็นดังนี้บ้าง ถึงแม้ภิสษุนั้นจะทายใจได้เป็นอันมากการทายใจนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็พิสูุบางรูปในธรรมวินัยนี้ไม่ทายใจตามเหตุที่กำหนดเลยหาได้ฟังเสียงของพวกมนุษย์ของพวกอมนุษย์หรือของพวกเทวดาแล้วทายใจไม่หรือหาได้ฟังเสียงตรึกตรองของผู้ที่กำลังตรึกตรองอยู่แล้วทายใจไม่ แต่เมื่อกำหนดใจของท่านผู้เข้าสมาธิซึ่งไม่มีวิตกไม่มีวิจารณ์ด้วยใจของตนแล้วก็รู้ได้ว่าท่านผู้นี้ตั้งมโนสังขารไว้อย่างไรก็จักตรึกถึงวิตกชื่นโน้นในระหว่างใจนี้อย่างนั้นถึงแม้พิกสุนั้นจะทายใจได้เป็นอันมากการทายใจนั้นก็คงเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างอื่นนี้เรียกว่าอาเทศนาปาติหารอนุสาสนีปาติหารเป็นฉนิดคือ ทิ้สูตรบางรูปในธรรมวินน์นี้พร่ำสอนอย่างนี้ว่าพวกท่านจงตรึกตรองอย่างนี้อย่าตรึกตรองอย่างนั้นจงมณสิการอย่างนี้อย่ามนสิการอย่างนั้นจงละสิ่งนี้จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่เถิดทิ้งสูตทั้งหลายนี้เรียกว่าอนุสาสนีปาฏิหารทิ้งสูตรทั้งหลายปาฏิหารสามประการนี้ใน อจตกถาเกวัตสูตรนั่นก็อธิบายไว้นะว่าการตรึกอย่างนี้ก็หมายถึงตรึกไปในกุศลวิตกสามอย่างก็ได้แก่เนคขมวิตกอภิยาปาทวิตกแล้วก็อวิหิงสาวิตกส่วนการอยาตรึกอย่างนี้คืออยาตรึกไปในอกุศลวิตกสามอย่างก็ได้แก่กามวิตกแล้วก็พยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกส่วนการมนุษการอย่างนี้ก็คือมนุษการไปในสติปัฏฐานสี่นั่นแหละก็คือมนุษการไป เห็นในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าเมี่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาในสิ่งที่ไม่งามว่างามส่วนการย่ามานัสการอย่างนั้นคือยามานัสการไปในวิปลาสสี่อย่างก็คือนัสการไปในสิ่งที่ไม่งามว่างามสิ่งที่มีเที่ยงว่าเที่ยงสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขแล้วก็สิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอัตาคําว่าจงละสิ่งนี้ก็หมายถึงจงละนิวรห้าเสียแล้วก็จงเข้าถึงสิ่งนี้อยู่ก็ได้แก่เข้าถึง มักผลนะเข้าถึงมักเข้าถึงนิพพานอ่านี้ก็ในหลายๆที่ก็มีแสดงไว้นะเนคข ม, มะย่อมสําเร็จเพระนาะฉะนั้นจึงชื่อว่าอิทธิเนคข ม, มะย่อมกาจัดกามฉันทะได้เพระนาะฉะนั้นจึงเป็นปาฏิหารชนเหล่าใดประกอบด้วยเนคข ม, มะนั้นชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิตหมดจดมีความดําริไม่ขุนมัวเพระนาะฉะนัน้นเนคขมะจึงเป็นอาเทศนาปาฏิหาร อปฏิหารเนขมานี่เป็นอาเทศนาปฏิหารด้วยนะและเนขมะ น, นั้นอันบุคคลพึงปฏิบัติอย่างนี้พึงเจริญอย่างนี้พึงทําให้มากอย่างนี้บุคคลพึงตั้งสติเป็นธรรมสมควรแก่เนคขมะนั้นไว้ให้มั่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนคขมะจึงเป็นอนุาสน า, นน า, นนาสนีปฏิหารเออเนขมะนั้นเป็นอนุสาสนีปฏิหารด้วยนะอปฏิหารสามอย่างก็คือเนขมะ เป็นเนคขมะนะปฏิหารสามอย่างนั้นเพราะเป็นไปเพื่อที่จะนำเสียซึ่งปฏิปักษ์านามาซึ่งศรัทธานะแล้วก็เป็นปฏิปัติต่อสิ่งที่ไม่ศรัทธาอาศัตทินรียนํานมาซึ่งศรัทธาอภยยาปอภยาบาทนะอภยยาบาทก็คือความไม่ยพยาบาทเนี่ยย่อมสําเร็จลัชนาจริงชื่อว่าอิทธิด้วยอภยยาปาทะ ย่อมกำจัดพยาบาทได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นปาฏิหารปริหารก็หมายถึงว่ากำจัดธรรมที่เป็นข้าศึกนะชนเหล่าใดประกอบด้วยอัพยาบาทนั้นชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิตหมดจดมีความดำริไม่ขุนมัวเพราะฉะนั้นอัพยาบาทจึงชื่อว่าเป็นอาเทสนาปาฏิหารทาจิตให้ไม่ขุนมัวผ่องแพร่ผองใส และอภยาบาสนั้นอันบุคคลพึงปฏิบัติอย่างนี้พึงเจริญอย่างนี้พึงทําให้มากอย่างนี้บุคคลพึงตั้งสติที่เป็นธรรมสมควรแก่อภยาบาสนั้นไว้ให้มั่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอภยาบาสจึงเป็นอนุสาสนีปาฏิหารด้วยนะเป็นไปตามคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอในขมะนั้นนะในขมะนั้นก็เป็นทั้งอิทธิปาฏิหารเป็นทั้ง อาเทศนาปฏิหารแล้วก็เป็นทั้งอนุสาสนีปาฏิหารด้วยเป็นอิทธิปฏิหารเพราะว่าย่อมทําให้สําเร็จประโยชน์ทําให้กุศลเจริญแล้วก็มุ่งมั่นไปถึงมรรคนิพพานก็ได้แล้วก็เป็นอาเทศนาสามารถที่จะดักจิตคือดักอกุศลเอาไว้ให้จิตนั้นไม่ขุนมัวให้มีความหมดจดแล้วก็เป็นอนุสาสนีเป็นไปนตามคำสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเจริญให้มาก อพยาบาติก็เหมือนกันนะแล้วก็อาโลกาสัญญาย่อมสำเร็จเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอิทธิอาโลกาสัญญาย่อมกำจัดถีนมิธาได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นปาฏิหารปริหารนี้หมายถึงการกำจัดธรรมะที่เป็นข้าศึกนะชนเหล่าใดประกอบด้วยอาโลกาสัญญานั้นชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิตหมดจดมีความดาริไม่ขุนมัวเพราะฉะนั้นอาโลกะสัญญาจึงเป็นอาเทศนาปาฏิหาร และอาโลกาสัญญานั้นอนบุคคลพึงปฏิบัติอย่างนี้พึงเจริญอย่างนี้พึงทําให้มากอย่างนี้บุคคลพึงตั้งสติที่เป็นธรรมสมควรแกอาโลกาสัญญานั้นไว้ให้มั่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอาโลกสัญญาจึงเป็นอนุสาสนีปาฏิหารอาวิเทปะย่อมสําเร็จเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่าอิทธิ อวิเคปะก็คือความไม่คุ้งซ่านย่อมกําจัดอุดทะจะความฟุ้งซ่านได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นปาฏิหารชนเหล่าใดประกอบด้วยอวิเคปะนั้นชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิตหมดจดมีความดําริไม่ขุนมัวเพราะฉะนั้นอวิเคปะจึงเป็นอาเทศนาปาฏิหารและอวิเคปะนั้นอันบุคคลพึงปฏิบัติอย่างนี้พึงเจริญอย่างนี้พึงทําให้มากอย่างนี้ บุคคลพึงตั้งสติที่เป็นธรรมสมควรแก่อวิเคปะนั้นไว้ให้มั่นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอวิเคปะจึงเป็นอนุสาสนีปาฏิหารด้วยนะก็แสดงจนทั่งถึงนู่นนะอันนี้เ็าเรียกว่าอุปจาระอุปจาระเจ็ดอย่างนะก็คือเนคขมะมกละการมันทะนิวรณ น, นะ อ, พ ย, อพยบาทกละการมันทะอาโลกะกละถีนมิทะได้อวิเคปะ ก็ละอุทธะกุกุจะได้อ่าแล้วก็อะไรอีกอ่าการวินิจฉัยธรรมการพิจารณาธรรมการวินิจฉัยธรรมก็ละวิจิกิจชาได้อ่าแล้วก็อประโมทตราโมทก็ละอารตนะิความไม่ยินดีได้ยานยานก็ละอวิชชาความไม่รู้ได้อันนี้เรียกว่าอุปจาระเจ็ดอย่างอแล้วก็ปฐมฌานปฐมฌานก็ละอะไร ละนิวรณทุติยฌานกันละวิตตกิจฌา์ตัติยฌานกับละปีติแล้วก็จจตติฌานก็ละสุขสมณัตนะแล้วก็ยังมีมหาวิปัสสนาอีกสิบแปดอย่างมหวิปัสสนาสิบแปดนะก็ละอกุศลวิดาลาต่างๆนะรวมทั้งมรรคสี่ด้วยนะมรรคสี่ก็ละกิเลสอย่างเด็ดขาดก็คืออรหัตมัรคย่อมสาเร็จเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ายิทธิ อรหัตตมัชย่อมกําจัดกิเลสได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นปาฏิหาริชนเหล่าใดประกอบด้วยอรหัตตมัคนั้นชนเหล่านั้นทั้งหมดเป็นผู้มีจิตหมดจดมีความดําริไม่ขุนมัวเพราะฉะนั้นอรหัตตมัคจึงเป็นอาเทศนาปาฏิหารและอรหัตตมัชนั้นอันบุคคลพึงปฏิบัติอย่างนี้พึงเจริญอย่างนี้พึงทําให้มากอย่างนี้บุคคลพึงตั้งสติที่เป็นธรรมสมควรแก่อรหัตตมัชนั้นเพราะฉะนั้น อรหัตมัตจึงเป็นอนุสาสนีปาฏิหารปาฏิหารสามประการเหล่านี้ก็บัณฑิตดปึงซ่าปาฏิหารนั้นด้วยย ม, มะกะปาฏิหารที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงที่โคนต้นคันธรรมพึกคันธ ร, รมพึกหรือว่าคันธามพึกนั่นเองอต้นมะม่วงซึ่งนายคันทะเป็นคนปลูกเพราะฉะนั้นอันนี้ท่านก็สงเคราะห์ปาฏิหารสามอย่างเนี่ยลงในอยองในธรรมะ ธรรมกี่ประการสามที่เจ็ดประการนะแต่ไม่ใช่โพธิปายะธรมสานทีเจ็ดนะอันนี้เป็นอุปจาระเจ็ดอย่างอุปจาระเจ็ดอย่างก็ได้แก่เนคข ม, มะอพยาบาทติเนคข ม, มะอัพยาบาตอาโลกะสัญญาอาวิเทปะอการที่ฉช้ธรรมแล้วก็ประโมทยานเจ็ดอย่างนี้นะเป็นอุปจาระธรรมแล้วก็ฌานสี่เป็นสิบเอ็ดรูปฌานสี่เป็นสนะิบเอ็ดละแล้วก็ อ่รูปฌปานอีกสี่เป็นสิบห้าอ่าสิบห้าแล้วก็อ่ามหาวิปัสนาสิบแปดอเป็นสามสิบสามสามที่สามแล้วก็มรรคสี่อ่ดาเป็นมรรคสกะธาดาวเมรรคอานาคป็มาราามรรคอัฏฐมรรคก็เป็นสามที่เจ็ดประการนะธรรมะสามิเจ็ดประการเนี่ยอ่าเป็นสิ่งที่จะต้องอบรมเจริญเป็นปาฏิหาร3สามอย่าง ท่านก็สองเคราะปฏิหารสามอย่างลงในธรรมสมันนิจเจตการนี้ในข้อนั้นมีอนุปุพ i คาถาดังต่อไปนี้ก็คือแสดงเรื่องของการแสดงยมกปาฏิหารนั่นเองซึ่งท่านก็แสดงถึงปาฏิหารสามอย่างนี้แต่ว่ามารวมลงในยมกปาฏิหารที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนั่นแหละเพราะว่ายมกปาฏิหารนั้นก็ทรงแสดงปาฏิหารทั้งสามอย่างเลยนะคือแสดงอิทธิปาฏิหารด้วยการแสดงท่อน้ําท่อไฟเป็นคู่ค แล้วก็เดินจุงกลมในอากาศนะแล้วก็ยังดักใจคนด้วยในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็แสดงตรงกระทำรรอาเทศนาปฏิหารแล้วก็อนุสาสนีแสดงธรรมด้วยในวันที่แปดเมื่อพระมหาบุรุษตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์ทรงเนรมิต ร, รัตนจงกลมสเสด็จจงกรงไปในอากาศทรงทํำปาฏิหารเพื่อกําจัดความสงสัยของพวกเทวดาผู้เกิดความสงสัยว่า รสิทธัตถะตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าหรือยังไม่ตัดสรู้หลังจากนั้นในปีที่สองพระผู้มีพระภาคเจ้าได้เสด็จไปเมืองแห่งราชตระกูลทรงทำยะมกปาฏิหารเพื่อให้บรรดาญาติทรงละความมวเมาเพราะความถือตัวในสมาคมแห่งพระญาติทั้งหลายณ น, นิโครธารามกรุงกบิรพัทหลังจากนั้นในปีที่เจ็ดในวันอาสาระหะปุณณมี พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทํายมกปาฏิหารณ์นาโคนต้นคันธรรมพฤึกหรือว่าคันธรมรมะพลึกเพื่อจะยีมานะของพวกเดียรถีและเพื่อให้ลาวชนผู้มีกุศลมูลหนาแน่นได้อริยสัตว์ข้าพเจา้าคือพระพุทธรักษ์ิตาจารย์จักพาันณ า, าเรื่องนั้นตกลงก็แสดงยมกปาฏิหาริ์ครั้งใหญ่ใหญ่เนีสามครั้งด้วยกันนะ คั้งแรกก็คือหลังจากทัศนุแล้วเจ็ดวันแสดงที่รัตนะจงกรมนะเพื่อที่จะขจัดความสงสัยให้เทวดาทั้งหลายลสงสัยว่าพระพุทธเจ้าหมดกิจแล้วหรือยังทัศนุหรือยังก็เลยแสดงย ม, มกปฏิหารที่นั่นครั้งหนึ่งครั้งที่สองก็คือแสดงย ม, มกปฏิหารที่กรุงกบิถพ์คมหมู่ญาติของพระองค์นะเพราะมีมานะจัดมีมานะมาก อานิสานถึงมาแสดงยงมกปริหารที่โขนต้นมะม่วงนะเพื่อจะข่มพวกเดรธีทั้งหลายแล้วก็เสด็จไปจํารรษาทีทชาททาานะ่ชั้นดวดึงไปแสดงธรรมโปรดแสดงพระธรรมโปรดพระพุทธมนดานะเจ้ดงก็แสดงยงมกยมกปริหาริครั้งใหญ่สามครั้งเมื่อพระผู้มีพระภาคเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณกรุงราชคลึเศรษฐีชาวกรุงราชคลึพร้อมด้วยบริวารได้ไปอาบน้ําที่แม่น้ำคงคา ในครั้งนั้นเศรษฐีได้แก่นจันหาค่ามิได้ซึ่งลอยตามกระแสน้ำคงคาจากป่าหิมพานมาติดอยู่ที่ตาคายให้ช่างเอาแก่นจันนั้นกลึงทำบาดไม้จันใส่ไว้ในสาแรกแขวนไม้ไผ่ผูกต่อกันประมาณหกสิบอกกลางอากาศแล้วกล่าวว่าผู้ที่เป็นพระอาหารหันในโลกนี้จงเหาะมาถือเอาบาดนี้ไปข้าพเจ้าพร้อมบุตรและภระยาจะยึดถือบุคคล น, นั้นแหละเป็นสรณะ เพราะว่ายัางไม่ได้นับถือใครเป็นที่พึ่งนะครูทั้งหกพากันกล่าวว่าบาปนี้สมควรแก่พวกเราท่านจงให้แก่พวกเราเถิดเศรษฐีนั้นกล่าวว่าพวกท่านจงเหาะมาถือเอาไปเถิดในวันที่หกนิครนนาทบุตรได้ทรงพวกอันเทวสิษย์ไปขอบาปแต่ก็ไม่ได้จึงไปด้วยตนเองให้อนาตสัญญาณแก่พวกอันเทวสิกย์ว่าพอเรายกมือยกเท้าข้างหนึ่งขึ้น พวกท่านจงจับมือและเท้าของเราแล้วห้ามว่าท่านอาจารย์อย่าแสดงคุณของความเป็นพระอาหารหันต์ที่ปกปิดไว้แล้วแกลมหาชนเพราะเหตุแห่งบาทไม้นี้เลยได้ไปในที่นั้นแล้วก็ทำอย่างที่พูดแล้วก็ออกอุบายอ้างเล่ต่างๆนะด้วยความปรารถนาลามกอยากจะเป็นขนาาจารย์อยากจะให้เศรษฐีมานับถือก็พูดกล่าวกับเศรษฐีขอร้องว่ามหาเศรษฐี บาสนั้นไม่สมควรแก่ชนเหล่าอื่นสมควรแก่เราเท่านั้นท่านผู้ไม่ประมาทอย่าได้ชอบใจการเหาะไปในอากาศเพราะเหตุแห่งบาตไม้เลยจงให้บาศแก่เราเรถิดไสเศรษฐีก็กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านจงเหาะมาถือเอาไปเถิดแล้วไม่มอบให้พวกเศรษฐีอ่ะขอโทษครับพวกเดรัธีแม้พยายามอยู่อย่างนี้ถึงหกวันก็ยังไม่ได้บาศครั้งครั้งนั้นในวันที่เจ็ด พระมหโมคาราณะและพระปินโดรภาระพวชะยืนห่มจีวรบนหลังลานหินแห่งหนึ่งเพื่อไปบิณธบาตในกรุงราชคลึกขณะนั้นพวกนักเลงพากันกล่าวว่านี่พวกเราครูทั้งหกเที่ยวกล่าวว่าพวกเราเป็นพระอรหันต์แต่เมื่อเศรษฐีชาวกรุงราชคลึกให้คนยกบาทแขวนไว้ในอากาศกล่าวว่าถ้าพระอรหันต์มีจริงก็จงเหาะมาถือเอาไปเถิด วันนี้เป็นวันที่เจ็ดยังไม่มีใครสักคนที่จะสามารถถือเอาบาสนั้นได้วันนี้พวกเรารู้แล้วว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีในโลกท่านพระมหาโมคคารนะพอได้ฟังคำนั้นจึงกล่าวกับท่านพระปิณโดระทวพาระทวชะว่าผู้มีอายุท่านได้ยินคำพูดของนักเลงเหล่านี้ไหมนักเลงเหล่านี้พูดเหมือนกระทบะศาสนา ก็ท่านเป็นผู้มีฤทธานุภาพมาท่านจงเหาะไปนำบาทนั้นมาเถิดมาดูถูกดูหมิ่นศาสนาของเราแล้วนะเนี่ยเพราะฉะนั้นจะต้องกระทําความลบหลู่เดล่วนั้นให้คลายหายไปฝ่ายท่านพระปินโดรทภาระทวาชะนั้นก็ได้กล่าวว่าท่านพระมห ah ามโหครานะท่านเป็นผู้เลิศกว่าสาวกผู้มีฤทธิ์ทั้งหลายท่านจงถือเอาเถิดแต่เมื่อท่านไม่ถือเอาผมก็จะถือเอาเอง เมื่อพระโมคคัรณะกล่าวว่าผู้มีอายุท่านจงถือเอาเอิดท่านพร ะ, ะท่านพระปินโดรภาระทวชชะจึงใช้กำลังอภิน ญ, ญายกลานหินก็คือยกหินดาดประมาณสามคาวุธ1สิบสองกิโลเมตรเนี่ยนะนั้นขึ้นในอากาศเหมือนปุยนุ่นแล้วให้หมุนวนเหนือกรุงราชทึก์เจ็ดรอบหินดาดนั้นปรากฏเหมือนฝาฝาปิดนครนะฝาชีนะ ปิดนครประมาณสามคาวุธชาวเมืองตกใจกลัวพากันยกกระด้งเป็นต้นบางไว้เหนือศีรษะพากันแอบในที่นั้นๆพระเถระได้ทำลายก้อนหินในวาระที่เจ็ดแล้วแสดงตัวมหาชนเห็นพระเถระแล้วพากันเรียกร้องว่าท่านพระปินโดลภาระทวชะท่านจงถือก้อนหินของท่านให้มั่นอย่าทาชนทั้งปวงให้พินาศเลยพระเถระได้ใช้ปลายเท้าขีดก้อนหินทัดออกไป หินดาษนั้นก็กลับไปตั้งอยู่บนตั้งอยู่ในที่เดิมพระเถระได้ยืนอยู่เหนือเรือนของเศรษฐีเศรษฐีเห็นดังนั้นจึงหมอบลงแล้วก็กล่าวว่านิมนต์ลงมาเถิดขอรับพระคุณเจ้านิมนต์พระเถระผู้ลงจากอากาศให้นั่งแล้วใช้ให้คนนำบาตรลงมาบรรจุของอร่อยสี่ชนิดจนเต็มแล้วถวายไว้ในมือของพระเถระพระเถระรับบาตรแล้วก็เดินมุ่งหน้าไปยังวัดครั้งนั้นชนละ เหล่าชนผู้อยู่ในป่าผู้อยู่ในนาไม่ได้เห็นปาฏิหาริย์จึงพากันประชุมกันติดตามพระเถระกล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านจงแสด ง, สดงปาฏิหาริย์ให้พวกเรารดูด้วยเถิดท่านจึงแสดงตามสมควรแก่ชนเหล่านั้นแล้วก็เดินไปวัดวก็เดินไปทางและแสดงไปทางอนะพระศาสดาได้สะดับเสียงมหาชนบรรลือลั่นจึงตรัสถามว่าอานอนท่นเสียงใครเมื่อพระอนอนท์กราบทูลว่า พาแต่พระองค์ผู้เจริญพระปินโดลภารัตวัชะได้เหาะไปถืออาบาดไม้จันนั่นเป็นเสียงของมหาชนในสำนักของพระปินโดลภารัตวัชะพระเจ้าขา่าพระองค์จึงรับสั่งให้เรียกพระภารัตวัชะมาตรัสถามว่าได้ทราบว่าเธอทอําอย่างนี้จริงไหมเมื่อท่านกราบทูลว่าเป็นความจริงพระเจ้าค่าจึงทรงตําหนิพระเถระว่าภารัตวัชะพระเหตไลเธอจึงทําอย่างนี้ แล้วรับสั่งให้ทำลายบาทนั้นให้เป็นชิ้นและชิ้นน้อยแล้วรับสั่งให้ถวายแก่พิกูตทั้งหลายเพื่อบดเป็นยาหยอดตาแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทคือบัญญัติสิกขาบทว่าห้ามไม่ให้สแสดงฤทธ์นะพวกเดียร์ถีได้ยินว่าพระสมณะโคดมทรงบัญญัติสิกขาบทแล้วก็พากันคิดว่าสาวกของพระสมณะโคดมย่อมไม่ก้าวล่วงสิกขาบทที่บัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิต บัดนี้พวกเราได้โอกาสแล้วจึงพาการเที่ยวป่าวประกาศไปตามถนนหนทางในเมืองว่าพวกเรารักษาคุณธรรมของตนจึงไม่ได้แสดงคุณของตนแก่มหาชนเพราะเหตุแห่งบาดไม้ในการกอนแต่พวกสาวกของพระสมณโขดมพาการแสดงพระสมณโคดมให้ทำลายบาดนั้นแล้วทรงบัญญัติสิกขาบทแก่พวกสาวกเพราะพระองค์ทรงเป็นบัณฑิต บัดนี้พวกเราจากทำปาฏิหารกับพระสมณโคดมนั้นแหลอา้าวกับตัวเองเป็นบัิตแล้วจะมาทำเป็นคนผานได้ยังไงจะมาสแสดงยึทริพย์ได้ยังไงอีกล่ะแสดงว่าอยากจะเป็นพานเหมือนกันนะนะจะมาแสดงปาฏิหารแ ข, แข่งกับพระพุทธเจ้าล่ะพระเจ้าผิพิสารได้สะดับถ้อยคำนั้นจึงเสด็จไปสำนักของพระพุทธเจ้าทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญ ได้ทราบว่าพระองค์ทรงบัญญัติข้าบทแก่สาวกทั้งหลายเพื่อมิให้กระทำปาฏิหารหรือพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าใช่แล้วมหาพิฏฐ์พระเจ้าบิณสา์ก็ทูลว่าเวลานี้ผู้เดรัถย์พากันกล่าวว่าจักกระทำปาฏิหารกับพระองค์บัดนี้พระองค์จักกระทำอย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่ามหาพิฏฐเมื่อเดรัถย์เหล่านั้นกระทำจะถาคดก็จักกระทำ พระเจ้าพิมพิสารก็ทูลว่าพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทแล้วไม่ใช่หรือพระเจ้าขา้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามหาปิฏตถาคตไม่ได้บัญญัติสิกขาบทเพื่อตนเองแต่บัญญัติไว้แก่สาวกทั้งหลายของตถาคตพระเจ้าพิมพิสารก็ทูลว่าพระองค์ทรงบัญญัติสิกขาบทแก่ชนเหล่าอื่นเลี้ยงพระองค์หรือพระเจ้าขา้าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามหาปิฏถ้าอย่างนั้น ตาถาคตขอย้อนถามพระองค์ในเรื่องนี้ก่ในอุทยานของพระองค์มีมะม่วงหรือพระเจ้าบิมสันก็ทูลว่ามีอยู่พระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามหาปิฏถ้ามหาชนกินมะม่วงนั้นพระองค์พึงทําอย่างไรพระเจ้าบิมสันก็ทูลว่าก็จะต้องลงอาทยาพระเจ้าข่าพระศาสดาก็ตรัสว่าพระองค์เสวยได้ไหมพระเจ้าบิมสันก็ทูลว่าได้พระเจ้าข่าอาทยาไม่มีแก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์กินของข้าพระองค์เองพระศาสดา ก, ก็ตรัสว่ามหาปิฏอาจาของพระองค์แผ่ไปในราชอาณาจักรประมาณสามโยชนฉันใดแม้อาจาของตถาคตก็แผ่ไปในแสงโกดจั ก, กรวาลฉันนั้นเหตุนั้นสิกขาบทบัญญัติจึงไม่มีแก่ตถาคตแต่มีแก่สาวกเหล่าอื่นตถาคตจักกระทำปาฏิหารพระเจ้าพิมพิสารก็ ทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพระองค์จะทรงทําปาฏิหาริย์เมื่อไรพระเจ้าข่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามหาปิฏฐาคตจะทําในวันอาสาธะปุณณมีนับจากนี้ไปอีกสี่เดือนพระเจ้าบิมสันก็ทูลว่าพระองค์จะทรงทําที่ไหนพระเจ้าค่าพระศาสดาก็ตรัสว่ามหาปิฏฐาคตจะทําที่โคนต้นคันธรรมพลึกในกรุงสาวัตถี ถามว่าเหตุไรพระพุทธเจ้าจึงทรงอ้างสถานที่อันไกลอย่างนี้ตอบว่าพระสถานที่นั้นเป็นสถานที่ทรงทํำปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์อีกประการหนึ่งพระพุทธองค์ทรงอ้าวสถานที่อันไกลเพื่อจะให้มหาชนประชุมกันก็คือรอเวลานะสี่เดือนสี่เดือนคนทั้งหลายที่รู้ก็จะมุ่งหน้าเดินทางไปที่กรุงสาวัตถีเพราะว่าเรื่องเกิดที่อ่าต้น เหตุเนี่ยปารพที่กรุงราชคฤห์แต่ว่าจะไปสแสดงยมกปฏิหารที่กรุงสาวัตถีนะแล้วก็จะได้เจ็ดขึ้นไปอย่างชั้นดาวดึงในเทวโลกแต่ว่าจะลงที่เมืองสังกัตนาก็เป็นเหตุเย่ทำให้คนได้ประชุมกันแล้วก็บรุธทธรรมมากมายเลยพวกเดรธีได้ฟังดังนั้นได้ศึกษากันว่าคราวนี้พวกเราชิบหายแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราจะติดตามพระสมณโคดมผู้สเสด็จไปในที่นั้นจากนั้นพวกมหาชนเห็นพวกเราแล้วจะถามว่านี้อะไรกันเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราจะกล่าวกับพวกมหาชนนั้นว่าพวกเราจะทำปาฏิหาริย์กับพระสมณโคดมพระสมณโคดมนั้นกำลังหนีไปพวกเราจะไม่ให้พระสมณโคดมนั้นหนีไปจึงพาการติดตามเมื่อเป็นเช่นนี้ราศการะ ก็จัดเกิดขึ้นแก่เรานะก็หวังแต่ราชการะอย่างเดียวนะพวเดวรธีเนี่ยนะฝ่ายพระศาสดาสเสด็จบินทบาศในกรุงราชทธิแล้วก็สเสด็จออกไปพวกเดรธีก็ติดตามพระองค์ไปประทําภพัฒกิจในสถานที่ที่พระศาสดาทรงกระทํามพักิจแล้วสเสด็จไปรุ่งขึ้นกระชั้นอาหารเช้าในสถานที่ซึ่งตนพักอาศัยในกลางคืนเสร็จจึงออกเดินทาง เดรัฏฐีเหล่านั้นพอถูกพวกชาวบ้านถามว่านี่เรื่องอะไรกันจึงพากันบอกตามทำนองที่พวกตนคิดไว้ก่อนหน้านั่นเองพวกมหาชนจึงติดตามไปด้วยตั้งใจจะดูปาฏิหารแม้พระาศาสดาก็ได้เสด็จถึงกรุงสาวถีโดยลาดับส่วนพวกเดรัฏฐีก็ได้ไปพร้อมกับพระาศาสดานั้นนั่นแลชักชวนพวกอุปถาคได้ทับถึงแสนหนึ่งจึงให้สร้างบนดบด้วยเสาตะเคียนไม้ เสาไม้ตะเคียนนะมุงบังด้วยดอกอวบลเขียวแล้วพากันนั่งทําทีให้ผู้อื่นเข้าใจว่าโก้เจริถีจะทําปาฏิหาริย์ในที่นี้นะเขาจะทํามณดกนะมณดกใหญ่ขึ้นมานะก็จะมาแข่งริร์กับพระพุทธเจ้า <c oughs> พระเจ้า <c oughs> ประสริทธิ์ที่โกสนเสด็จเข้าไปเฝ้าพระาศาสดากราบทูลว่า พระองค์ผู้เจริญผู้ดิเรกถิให้คนสร้างบนดบแล้วทางข้าพระองค์ก็จะสร้างบนดบเพื่อพระองค์พระศัสดาก็ตรัสว่ายาเลยมหาปพิษตถาคตมีคนสร้างบนดบให้แล้วพระเจ้าเปเสนนิกโกสนก็ทูลว่าพระองค์ผู้เจริญเว้นข้าพระองค์คนอื่นใครเล่าจะสามารถสร้างถวายได้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเท้าสะกตะเทวราช ส, สามารถสร้างได้ จ้าบิมสันก็ทูลว่าพระองค์จะทรงทําปาฏิหาริย์ที่ไหนพระเจ้าค่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าที่โคนต้นคันธามะพฤกษ์มหาพิษพวกเจริญถีได้ฟังข่าวว่าพระสมณโคดมจะทรงทําปาฏิหาริย์ที่โคนต้ น, น ม, มะม่วงจึงบอกพวกอุปทาของตนให้ถอนต้นมะม่วงแม้ที่เพิ่งเกิดในวันนั้นภายในพื้นที่ประมาณหนึ่งโยชนิ้งไปทั้งหมดก็กลัวว่าพระพุทธเจ้าจะแสดงปาฏิหาริย์ได้ก็เลยไปถอนต้นมะม่วงกันเลย ครังนั้นพระาศาสดาได้เสด็จเข้าไปภายในพระนครในวันอาสาระหะปุณณมีนายคันทะคนเฝ้าพระราชอุทยานเห็นมะม่วงสุกผลใหญ่ผลหนึ่งในระหว่างใบที่พวกมดดำมดแดงสร้างรังปกปิดไว้จึงไล่พวกนกที่บินมาเพราะความอยากได้กลิ่นคือความอยากในกลิ่นอ่ะในกลิ่นมะม่วงสุก ค, ความอยากได้ในกลิ่นและรสของมะม่วงนั้นให้หนีไป แล้วถือไปเพื่อถวายพระราชาเห็นพระาศาสดาในระหว่างทางคิดว่าพระราชาเสวยมะม่วงนี้แล้วพึงพระราชทานกระหาปณ ะ, ะแก่เราแปดกระหาปณ ะ, ะบ้างสิหกกระหาปณ ะ, ะบ้างสิ่งนั้นพอเลี้ยงชีวิตเราอัตภาพเดียวถ้าเราจะถวายมะม่วงนี้แด่พระาศาสดาทานนั้นจักนำประโยชน์เกื้อกูลมาให้แก่เราตลอดการอันหาที่สุดมีได้ แล้วได้น้อมผลมะม่วงสุกนั้นเข้าไปถวายพระศาสดาอันนี้ก็เป็นโยนิโสมณติการอย่างมากเลยนะของนายคันทะเนี่ยคิดแยกสทายอย่างมากพระศาสดาทอดพระเนตรดูพระอนนเถระแล้วลำดับนั้นพระเถระได้นำบาตที่ท้ามหาราชถวายออกมามอบถวายแด่พระองค์พระศาสดาได้น้อมบาตรรับผลมะม่วงสุกนั้นปกติ้วพระพุทธเจ้าจะไม่รับอาหารด้วยพระหัตของพระองค์นะ จะต้องรับด้วยบาทก็ทรงแสดงอาการที่จะประทับนั่งณที่นั้นนั่นแลพระเถระไดปูราชจีวรถวายครั้นเมื่อพระาศาสดาประทับนั่งแล้วในที่นั้นพระเถระไดขันน้ํามะม่วงสุกนั้นถวายพระาศาสดาเสวยน้ำมะม่วงแล้วตรัสกับนายคันตะว่าเธอจงคุยดินแล้วปลูกมเมล็ดมะม่วงนี้ในที่นี้เถิดนายคันตะนั้นได้ทําตามรับสั่งนั้น พระศาสดาทรงล้างพระหัตถ์เหนือเมล็ดมะ ม, ม่วงนั้นเมื่อพระศาสดาทรงล้างพระหัตถ์เท่านั้นต้นมะม่วงได้งอกขึ้นมาลำต้นประมาณเท่างอนไถจเจริญเติบโตขึ้นโดยลำดับสูงประมาณห้าสิบซอกมีกิ่งใหญ่ห้ากิ่งคือในทิศ ท, ทั้งสี่มีสี่กิ่งในทิศเบื้องบนมีหนึ่งกิ่งกิ่งละประมาณห้าสิบซอกทันใดนั้นเองต้นมะม่วงนั้นได้ฉับพรางไปด้วยดอกและผล และมีพวงมะม่วงสุกเที่ยสูตทั้งหลายที่เดินทางติดตามมาภายหลังพากันมาฉันมะม่วงสุกนั่นเองพระเจ้าประสิธิ์ที่โกศลได้ทรงแสดับว่าต้นมะม่วงเห็นปา น, นี้เกิดขึ้นแล้วจึงทรงตั้งคนอารักขาไว้โดยรับสั่งว่าอย่าให้ใครตัดต้นมะม่วงนั้นต้นมะม่วงนั้นปรากฏชื่อว่าต้นคันธรมมพลึกก็คือนายคันทะกับอัมภะอัมภะแปลว่ามะม่วงนะ คันพะกันมพระก็เป็นไกากลายเป็นคันธรรมะพระพฤกษันธรรมะพระพฤกษ์บางที่ก็เป็นคันธามะพฤกษ์นะเพราะว่านายคันดะปลูกเอาไว้ในครั้งนั้นพวกนักเองกินผลมะม่วงสุกแล้วก็กล่าวว่าเฮ้ยพวกเดรัจฉชาติชั่วพวกเจ้ากล่าวว่าพระสมณโคดมจะทรงทำปาฏิหาริย์ที่โคนต้นคันธ ร, รมะคันธรรมระ แล้วให้คนถอนต้นมะม่วงแม้ที่เกิดในวันนั้นภายในที่ประมาณหนึ่งโยชน์ต้นไม้นี้ชื่อว่าคันธรรมพระแล้วไดเอาเมะร็ดมะม่วงที่เป็นเดนทั้งหลายขว้างปาพวกเดรัถีเหล่านั้นทา้าวสกตะได้รับสั่งให้วาตะวลาหกเทพบุตรใช้ลมพัดถอนมนดบของพวกเดรถัถีโยนไปตกบนกองคูดเทพบุตรนั้นก็ได้ทำตามรับสั่งทากก้าวสกตะก็ได้รับสั่งให้สุริยะเทพบุตร คมรัศมีดวงอาทิตย์แผดเผาให้ร้อนก็คือเร่งนะทำให้แสงอาทิตย์นั้นร้อนยิ่งขึ้นเทพบุตรนั้นก็ได้ทำตามรับสั่งท้าสกะได้รับสั่งให้วาตะวราหกเทพบุตรตั้งกองลมตั้งขึ้นนะทาให้ลมหัวด้วนตั้งขึ้นแล้วก็พัดไปเทพบุตรนั้นก็ได้ทำตามรับสั่งร่างกายที่มีเหงื่อไหลออกของพวเดรัจฉีถูกเปลวธุรีโปรยปลาย เดรัทธิเหล่านั้นได้เป็นเช่นกับจอมปลวกสีแดงท้าสกะก็ได้รับสั่งให้วัฏวล า, าหกเทพบุตรโปรยปลายฝนเม็ดใหญ่ลงมาเทพบุตรแม่นั้นก็ได้ทําตามรับสั่งครั้งนั้นร่างกายของพว้เดรัทธ์เหล่านั้นได้เป็นเช่นกับโคดางเดรัทธ์เหล่านั้นถูกคมอยู่จึงพากันหนีไปต่อหน้าแลอมนดกทั้งหลายก็หักสะบั้นหมดนะับเพราะว่าอวาตะวล า, าหกนี่ก็ให้ ลมหัวด้วนพัดจนทั่งพวกมันดกอะไรเหล่านั้นก็พังระเนระ น, ร า, นาไปหมดพวกเดรัจฉีเหล่านั้นก็เลยหนีกันไปต่อหน้าชาวนาคนหนึ่งผู้เป็นอุปถาของปูรณาการสปะคิดว่าบัดนี้เป็นเวลากระทำปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายเราจะไปดูปาฏิหาริย์จึงปล่อยโคทั้งหลายไว้ถือหม้อข้าวยาคูแล้วก็เชือกเส้นหนึ่งแล้วก็ปาตัดเดินมาแต่เช้าตรู่ เห็นปูรณกัสสะกำลังหนีไปอย่างนั้นจึงกล่าวว่าท่านขอรับผมมาด้วยประสงค์จะดูปาฏิหาริย์ของพระผู้เป็นเจ้าท่านจะไปไหนล่ะครับปูรณกัสสะกล่าวว่าเจ้าจะดูปาฏิหาริย์ไปทําไมจงให้หม้อและเชือกนี้แก่เราเถิดเขาได้ถือหม้อและเชือกที่ชาวนานั้นให้แล้วเดินไปฝั่งแม่น้ําบรรจุทรายเต็มหม้อผูกไว้ที่คอของตนแล้วก็โดดลงแม่น้ําไปทําให้ฟองน้ําผุดขึ้นมาแล้วก็ ตายไปเกิดในเอเวทีนรกโอ้ด้วยความละอายด้วยความกลัวนะน่าแตกเลยก็ไม่อยากจะอยู่ดูโรคนี้แล้วก็เลยไปเกิดในนรกนู่นพระสาสดาก็สเสด็จออกจากวิหารเพื่อทรงทาปาฏิหาริย์ที่ร่มไม้หนาทึบได้ประทับยืนที่ตรงหน้าร่มไม้หนาทึบทรงดาริว่าบัดนี้เป็นเวลากระทําปาฏิหาริย์ครั้งนั้นได้มีชุมชน แล้วก็ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและประชาชนเป็นลานกลมประมาณเจ็ดสิบสองโยตเทวดาและโธมทั้งหลายในหมื่นจักรวาลก็ได้พร้อมเพียงกันมาประชุมครณีอุบาสิกาผู้เป็นอนาคามีซึ่งมีฤตยืนอยู่เบื้องพระพักของพระผู้มีพระภาคเจ้าในสมาคมนั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อทิดาเช่นหม่อมฉันมีอยู่ พระองค์จะไม่ต้องทรงลาบากมอมฉันจะทําปาฏิหารเองพระพุทธองค์ตรัสถามว่าครณีเธอจะทําอย่างไรครณีอุบาสิกากระทูลว่าพระองค์ผู้เจริญมอมฉันจะทําแผ่นดินใหญ่ในห้องแห่งจักรวาลนี้ให้เป็นน้ําแล้วดำลงไปเหมือนนกกาน้ําแสดงตนที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศปราจีนจะแสดงตนที่ขอบปากจักรวาลด้านทิศปัจิมทิศอุดรและทิศทักษิณ จะแสดงตนในทิศท่ามกลางอย่างนั้นเหมือนกันก็เมื่อมีผู้ถามว่านั่นอะไรราชาชนจะกล่าวว่านั่นครณีอุบาสิกา น, น, นี้เป็นอนุภาพของหญิงนี้ก่อนก็อนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไรด้วยประการดังพนานามานี้พวกเดรัตถียังไม่ทันเห็นพระองค์ก็จะพาการห น, นีไปลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกับคารณีอุบาสิกานั้นว่าคารณี เราตถาคตรู้ว่าเธอสามารถทําปาฏิหาริเห็นปานี้ได้แต่พวงระเบียบ ด, ดอกไม้นี้เขาไม่ได้ร้อยไว้เพื่อเธอแล้วทรงห้ามเสียนางคิดว่าพระาศาสดาไม่ทรงอนุญาตให้เราทําปาฏิหาริคงจะมีบุคคลอื่นผู้สามารถทําปาฏิหาริที่ยิ่งกว่าเราเป็นแน่จึงยืนอยู่นักส่วนข้างหนึ่งพระาศาสดาทรงสําคัญว่าคุณของสาวกเหล่านี้จะปรากฏอย่างนี้ สาวกเหล่านี้จะบรรลือศรีหนาทในท่ามกลางบริษัทประมาณ ย, ยี่สิบสี่โยชนี้ด้วยประการชนี้จึงตรัสถามสาวกเหล่าอื่นอีกว่าเธอทั้งหลายจะทําปาฏิหาริย์อย่างไรสาวกเหล่านั้นกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์จะทําอย่างนี้และอย่างนี้พระเจ้าข่าแล้วได้บรรลือศรีหนาทเบื้องพระพรักของพระาศาสดาได้ยินว่าบรรดาชนสาวกเหล่านั้น จุละอนาทบิณฑิกะ ก, กราบทูลว่าเมื่อมีอุบาสกอนาคามีเช่นกับข้าพระองค์ผู้เป็นบุตรพระศาสดาจะไม่ต้องทรงลำบากเลยหาพระองค์จะกระทําปาฏิหาริย์เองพระเจ้าข้าพอพระศาสดาตรัสถามว่าจะทําอย่างไรจึงกราบทูลว่าพระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะแปลงเป็นพรหมมีอัตภาพประมาณสิบสองโยต์แล้วจะปลดมือดุจพรหม ด้วยเสียงเช่นกับมหาเมฆคำรามในถามกลางบริษัทนี้พอมหาชนถามกันว่านั่นเสียงอะไรก็จะพากันกล่าวว่าเสียงปรบมือดุดพรมของจุระอนาถบินทิกะผู้เจรียังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จะหนีไปด้วยคิดว่าอนุภาพของเคระห์บดียังขนาดนี้เลยอนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไรพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเราตถาคบทราบว่าเธอมีอนุภาพเห็นปานนี้ เธอจงหยุดเถิดแล้วก็ไม่ส่งอนุญาตเพราะว่าพวงมาลายนี้เขาไม่ได้ร้อยเอาไว้เพื่อเธอลำดับนั้นจิระสามเนรีอายุเจ็ดปีซึ่งบรรลุปฏิสัมพิทารูปหนึ่งถวายบังคมพระาศาสดาแล้วกราบทูลว่ามอมฉันจะทำปาฏิหาริย์พระเจ้าค่าพระาศาสดาตรัสว่าจิระเธอจะทำอย่างไรจิระสามเนรีก็กราบทูลว่า พระองค์ผู้เจริญหมอมชันจะนำภูเขาจิเนรุภูเขาจักรวาลและภูเขาหิมพานมาวางซ้อนกันไว้ที่นี้แล้วบินออกจากที่นั้นๆไม่ติดขัดเหมือนนกหงส์พวกมหาชนเห็นหมอมชันแล้วจะถามกันว่านั่นใครแล้วจะพากันกล่าวว่านั่นจีระสามเนรีโูเดรถีฟังดังนั้นแล้วยังไม่ทันเห็นพระองค์เลยก็จักพากันหนีไป ด้วยคิดว่าอนุภาพของสา ม, มเนรีอายุเจ็ดปียังขนาดนี้เลยอนุภาพของพระพุทธเจ้าจะเป็นเช่นไรนะบางที่ก็แสดงว่าเป็นวีราสา ม, มเนรีนะสา ม, มเนรีชื่อวีราอายุเจ็ดปนะีก็จะแสดงอนุภาพก็คือจะแปลงเป็นหงแล้วก็บินออกมาจากภูเขาเจเนรูภูเขาจักรวาลหิม พ, พานมาวางส ซ, ซ้อนกัน ก็โดยอนุภาพของผู้ที่สําเร็จเป็นพระทหารปฏิสัมพิทาซึ่งอายุเจ็ดขวบเป็นสมณีเลยาำเนรีเท่านั้นเองวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเดี๋ยวก็เอาไว้ฟังต่อเรื่องของสามเณีอายุเจ็ดขวบบ้างก็ถึงพระอุบลวรรณาผู้เลิศด้วยอิทธิฤทธิทางด้านภิกษณุณีแล้วก็พระมหาโมครารนะนะวันนี้ก็ขอให้ได้ศรัทธาประสาทะในการที่จะฟังคุณของพระสาวกทั้งหลายพร้อมทั้งคุณของพระาศาสดา ซึ่งประกาศศาสนาทำให้ศาสนาเจิดจ้าอยู่ถึง 2,500 กว่าปีมาแล้วแล้วก็จะอยู่ไปถึงอีก 2,500 กว่าอีก 2,000 ชวิเาก็ปีเป็น 5,000 ปีนะก็ขอให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็ดำรงคำสอนไว้ในจิตใจด้วยอำนาจของไตรสิกขาความเพนให้บริบูรณ์แล้วก็ตัดรู้เป็นพระอริยสาวกแล้วก็สิ้นวัฏฏะทุกโดยการไม่เนินชานี้ด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ